สจตุ ก, กะปุขละบัญญัติ132บุคคลผู้เป็นอสัตตบุรุษเป็นชไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเสพของมึนเมาคือสุราและมีไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสัตตบุรุษ 1 3 3. สบบุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม ตนเองเป็นผู้พูดเ ท, ท็จและชักชวนผู้อื่นให้พูดเ ท, ท็จตนเองเป็นผู้เสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้เสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตตบุรุษ1 3ึ่ บุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษเป็นชไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมียไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาท บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตบุรุษ 135. บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมตนเองเป็นผู้เว wow ้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาบบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษหนยบุคคลผู้เป็นคนชั่วเป็นฉหนะ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อโลภอยากได้ของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นคนชั่ว 137- บุคคลผู้เป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วเป็นฉหน บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้รักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้พูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อและช <additionally anderes criticisms> ักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อตนเองเป็นผู้โลภอยากได้ของผู้อ <commencement> ื่นและชักชวนผู้อื่นให้โลภอยากได้ของผู้อื่นตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทและชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท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 เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสมาธิทฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นคนดีหน บุคคลผู้เป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี today, ้ตนเองเป็นผ yes ู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการม ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อตนเองเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นและชักชวนผู้อื่นไม่ให้โลภอยากได้ของผู้อื่นตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทและชักชวนผู้อื่นไม่ให้มีจิตพยาบาทตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นคนดียิ่งกว่าคนดี1นึ่บุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นละมิจฉาทิฐิบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้มีธรรมชั่ว141 บุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่ว 142บุคคลผู้มีธรรมดีเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นต้นละเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมดี143บุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี144บุคคลผู้มีแต่โทษเป็นฉนัน บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษ145บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมาก ไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนมาก1นึบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยเป็นฉะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมาก มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวิจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยหนึบุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกร million, surgeon, than good than good รมท so ี from, คค่ไม่มีโทษ ประกอบด้วยวิยีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีโทษหนึบุคคลผู้เป็นอุคติตันยูเป็นไนบุคคลใดบรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้อุคติตันยู 149บุคคลผู้เป็นวิปจิตตันยูเป็นชไหนะบุคคลใดเมื่อเขาอธิบายเนื้อความแห่งภาษิทธ์โดยย่อให้พิศดารจึงบรรลุธรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นวิปจิตตันยูหนึ่งร้บุคคลผู้เป็นเนยะเป็นชไหนะบุคคลใดบรรลุธรรมโดยลำดับอย่างนี้คือโดยการแสดงการถาม การมนสิการโดยแยบคายการเสพการครบการเข้าไปนั่งใกล้กระยาณมิตรบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเนยยะหนึบุคคลผู้เป็นปัต ะ, ะประมะเป็นฉนัยบุคคลใดฟังก็มากกล่าวก็มากทรงจําก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นบุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นปทะปรมะ152บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วเป็นไฉหนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว153บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องเป็นไฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาก็ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง154บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว 155บุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วเป็นไฉไรบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วหนึในบทมาติกานั้นบุคคลผู้เป็นธรรมกถึกสี่จำพวกเป็นไฉหนะ 1. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ทั้งหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 2. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 3. ามธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากแต่ไม่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ไม่ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 4. ธรรมกรถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากและมีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกรถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกรถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกันบุคคลผู้เป็นธรรมกรถึกสี่จำพวกเหล่านี้157ในบท มาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสี่จำพวกเป็นฉไนะเมฆสี่ชนิดคือ 1. เมฆที่คํารามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. เมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คํารามสามเมฆที่คํารามและให้ฝนตกสเมฆที่ไม่คํารามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน บุคคล 4. จำพวกเป็นฉไนหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. องบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามสามบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตก 4. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบทำแต่ไม่พูดบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คํารามบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คํารามและให้ฝนตกเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดและชอบทําบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่คํารามและให้ฝนตกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่คํารามและให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คํารามและไม่ให้ฝนตกเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดและไม่ทำบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน158 ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเป็นฉไนะหนูสี่จำพวกคือ1หนูขุดรูแต่ไม่อยู่ 2. หนูอยู่แต่ไม่ขุดรู 3. หนูขุดรูและอยู่สหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน บุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเป็นฉไนหน 1. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่ 2. บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม PS, sí. ่ขุดรูสบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่สบุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่เป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรม คือสุตตะเคยะววยาการณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทัละแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูกุดรูแต่ไม่อยู่ บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูเป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณ์คาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพภูตธรรมเวทัละแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้เหุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะ เวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตตะชาตกะอัพภูตธรรมเวทละและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูและอยู่ บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติบุตตะชาตกะอัพภูตรธรรมเวทันละและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก159ในบทมาธิกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสี่จำพวกเป็นฉนะันยมะม่วงสี่จำพวกคือหนึ่งมะม่วงดิบแต่ผิวสุก สองมะม่วงสุกแต่ผิวดิบสามมะม่วงดิบและผิวดิบสี่มะม่วงสุกและผิวสุกบุค like คลเปรียบเหมือนมะม่วงสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นชไหนหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกสองบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ สบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ4บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นไฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังขารติปาทและจีวรหน้าเลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป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 และเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง ส, ว ส, มมวงสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก160 ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสี่จำพวกเป็นไฉนะหม้อสี่ชนิดคือ 1. หม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. หม้อเต็มแต่เปิดฝาสหม้อเปล่าและเปิดฝาสหม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉนะ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 บาตและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ทัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหุเกิดแต่งทุก์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้แัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขและข้อนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา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 บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาบุคคลประเภทนี้ถึงเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาเป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังขารติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ละข้อนี้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาบุคคลประเภทนี้ถึงเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนมอมหม้ อ, มอสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก161ิ16ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสี่จำพวกเป็นฉนะัน ห่วงน้ำสี่ชนิดคือ 1. ห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึก 2. ห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้ 3. ห่วงน้ำตื้นและเงาตื้ 4. ห่วงน้ำลึกและเงาลึกบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉหน 1. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึก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 แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเป็นต้นละนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นแต่เงาลึกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห้องน้ำตื้นแต่เงาลึกบุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกแต่เงาตื้นเป็นไน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 นี้ทุกข์ละนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห่วงน้ําลึกและเงาลึกบุคคลประเภทนี้ถึงเปรียบเหมือนห่วงน้ําลึกและเงาลึกบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสี่จาพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก162ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนโภพุสี่จาพวกเป็นฉนัน โคผู้สี่จำพวกคือ 1. โคผู้ที่คมเหงิโคฝูงตนแต่ไม่คมเหงิโคฝูงอื่น 2. โคผู้ที่คมเหงิโคฝูงอื่นแต่ไม่คมเหงิโคฝูงตน 3. โคผู้ที่คมเหงิโคฝูงตนและคมเหงิโคฝูงอื่น 4. โคผู้ที่ไม่คมเหงิโคฝูงตนและไม่คมเหงิโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้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 สีบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่คมเหงิโคฝูงตนและไม่คมเหงิโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่คมเหงิโคฝูงตนแต่ไม่คมเหงิโคฝูงอื่นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้บริษัทของตนหวาดกลัวแต่ไม่ทําให้บริษัทของคนอื่นหวาดกลัว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 แต่ไม่ทําให้บริจัทของตนหวาดกลัวบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนโคผู้ที่คมเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่คมเหงโคฝูงตนบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่คมเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่คมเหงโคฝูงตนบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่คมเหงโคฝูงตนและคมเหงโคฝูงอื่นเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้บริษัทของตนและบริษัทของคนอื่นหวาดกลัวบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนโคผู้ที่คมเหงโคฝูงตนและคมเหงโคฝูงอื่นบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่คมเหงโคฝูงตนและคมเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่คมเหงโคฝูงตนและไม่คมเหงโคฝูงอื่นเป็นฉัน บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทำให้บริษัทของตนและบริษัทของคนอื่นหวาดกลัวบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 1 6ึ่ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนอสารพิษ4จําพวกเป็นไฉนอสารพิษ4ี่จำพวกคือ1อสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง 2. อสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว 3. อสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง สีอสารพิษที่มีพิษไม่แล่นเบวและพิษไม่ไร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสารพิษ4จําพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคล4จําพวกเป็นฉไนหน 1. บุคคลเปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษและแล่นเบวแต่พิษไม่ร้ายแรง2บุคคลเปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่ไแล่นเบรว สบุคคลเปรียบเหมือนสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง4บุคคลเปรียบเหมือนสารพิษที่มีพิษไม่แหล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อยๆแต่ความโกรธของเขาไม่คงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนนสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ v v. ร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนนสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนนสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธปล่อยนัก grandes, แต่ความโกรธของเขาคงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนนสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเวรว็วบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนนสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเวรว็วบุคคลเปรียบเหมือนนสารพิษที่มีพิษแล่นเวร็วและพิษร้ายแรงเป็นฉไหนบุคคลบางคนใน โ, โลกนี้โกรธบ่อยๆและความโกรธของเขาคงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนนสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักและความโกรธของเขาไม่คงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนสอรพิษที่มีพิษไม่แล่นเวร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนสอรพิษที่มีพิษไม่แล่นเวร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนสอรพิษสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก164บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนเป็นฉไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสันเสริญพวกเดียรถีสาวกเดียรถีผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดว่าปฏิบัติดีบ้างปฏิบัติชอบบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวสันเสริญผู้ควรติเตียนบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสเสริญเป็นฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพระพุทธเจา้าสาวกของพระพุทธเจา้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติชั่วบ้างปฏิบัติผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสันเซินบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในปฏิปทาชั่วในข้อปฏิปทาผิดว่าข้อปฏิปทาดีข้อปฏิปท า, าชอบบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควเรเลื่อมใสเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาดีในข้อปฏิปท า, าชอบว่าข้อปฏิปทาชั่วบ้างข้อปฏิปทาผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 1.65 ห บุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพวกเดียรถีสาวกของเดียรถีผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดว่าปฏิบัติชั่วบ้างปฏิบัติผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติดีบ้างปฏิบัติชอบบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาชั่วข้อปฏิปทาผิดว่าข้อปฏิปทาชั่วบ้างข้อปฏิปทาผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส บุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเป็นฉนับุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในข้อปฏิปทาดีข้อปฏิปทาชอบว่าข้อปฏิปทาดีบ้างข้อปฏิปทาชอบบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ห6ึบุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสันเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรติเตียนก็กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ ผู้ใดควรสันเสริญก็ไม่กล่าวสันเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลกล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสันเสริญก็มีควรตีเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรสันเสริญก็กล่าวสันเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรตีเตียนก็ไม่กล่าวตีเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวสนันเสริญผู้ควรสนันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ sociedad. แต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสันเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้น ผู้ใดควรติดเตียนก็กล่าวติดเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรสันเสริญก็กล่าวสันเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นผู้รู้เวลาเพื่อตอบคำถามนั้นในการกล่าวนั้นบุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวติดเตียนผู้ควรติดเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ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 บุคคลผู้ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งบุญเป็นไฉไรการดํารงชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยันความหมั่นความเพียรมิเช่เกิดขึ้นเพราะบุญบุคคลนี้เรียกว่าผู้ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งบุญ บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรเป็นไฉน؟เทวดาชั้นสูงขึ้นไปกระทั่งเทวดาชั้นปรนิมิตสวัสตีดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรบุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญเป็นไฉใด การดำรงชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยันความมั่นความเพียรและเกิดขึ้นเพราะผลบุญบุคคลนี้เรียกว่าผู้ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดํารงชีพด้วยผลแห่งบุญบุคคลผู้ไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งบุญเป็นฉนสัตว์นรกชื่อว่าผู้ไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและ ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ168บุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นชไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลในพรานตระกูลช่างสารและตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทขยะเป็นตระกูลยากจน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 เครื่องรูปไหล่ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปเขายัางประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนารกบุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นอย่างนี้ บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลในพรานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินแนละเครื่องนุ่งห่มได้ยาก และเขามีผิวพันธุ์หม่นหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมาพาตมักไม่ได้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลทีท่นอนที่พักเครื่องประทีบแต่เขาประพฤติกายสุจริตเวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขติยมหาศาลตระกูลพรามมหาศาล หรือตระกูลขหาบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายและเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเรื่อมใสมีชวีวันผุดพองยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม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 บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขติยมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหปดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธั ญ, ญชาติมากมายและเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใส มีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหองเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบและเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้169บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นฉไนละบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นฉไนละบุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สูงมาแต่ต <lifespan> ่ำไปเป็นฉไน บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นฉไหนบุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นอย่างนี้1นึ่งในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเป็นฉไหนต้นไม้สี่ชนิดคือ 1. ต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 2. ต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 3. ต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 4. ต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นเฉหน 1. บุคคล เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม2บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม3บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมันงามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นฉนั บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมันงามแม้บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรมันงามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก171 บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปที่สูงรูปที่ผอมรูปที่อ้วนรูปที่มีอวัยวะสมส่วนถือเอาประมาณในรูปนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ เรื่มใสในเสียงเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาประมาณในเสียงนั้นที่ผู้อื่นกล่าวสรรเสริญที่ผู้อื่นชมเชยที่ผู้อื่นกล่าวยกย่องที่ผู้อื่นกล่าวสรรเสริญสืบสืบกันมาแล้วเกิดความเรื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือเสียงเป็นประมาณเรื่อมใสในเสียงหนึ่งรเจ็ิสองบุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมองเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นจีวรเศร้าหมองบาทเศร้าหมองเสนาสนาะเศร้าหมองหรือเห็นทุกกรกิริยาต่างๆถือเอาประมาณในความเศร้าหมองนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมอง บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีลสมาธิปัญญาแล้วถือเอาประมาณในศีลเป็นต้นนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรม173บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุต ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัทสนะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัทสนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นเไหน บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์แต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุติ ตนเองเป็นผู้ ston. ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศนะแต่ทักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองบุคคลผู้ปฏิบัติ lim เพื changes, ่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุติและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุติ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศสนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศสนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นฉไน บุ <mister ius> คคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล <Sched ule> ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศสนะและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศสนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น174บุคคลผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบการทําตนให้เดือดร้อนเป็นฉไหน คนบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลืยไรมารยาดเลียมือเขาเชิญมารับพิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับพิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อนไม่รับพิกษาที่เขาเจาะจงทำไว้ไม่ยินดีกิจนิมนต์ไม่รับพิกษาปากหม้อไม่รับพิษาจากกระเช้าไม่รับพิกษาคล่อมธรณีประตู ไม่รับพิกษาคร่อมบต้นไม้ไม่รับพิกษาครอมสากไม่รับพิกษาที่คนสองคนบริโภคอยู่ไม่รับพิกษาของหญิงมีครรภ์ไม่รับพิกษาของหญิงที่กําลังให้ลูกดื่มนมไม่รับพิกษาของหญิงที่คลอเคลียบุรุษไม่รับพิกษาที่นัดแนะกันทําไว้ไม่รับพิกษาในที่ที่รับเลี้ยงสุนัข ไม่รับพิกษาในที่ที่มีมแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรยัยไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับพิกษาเฉพาะเรือนหลังเดียวเยีวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวรับพิกษาที่เรือนสองหลังเยีวยาอัตภาพด้ข้าวสองคำเป็นต้นละ หรือรับพิษสาที่เรือนเจ็ดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำเยีวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยใบเดียวบ้างเยีวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยสองใบบ้างละเยีวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันเดียวบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้สองวันบ้างละกินอาหารที่เก็บค้างไว้เจวันบ้าง เขามันประกอบในการบริโภคที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนอย่างนี้เขากินผักดองเป็นอาหารบ้างกินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินกากข้าวเป็นอาหารบ้างกินยางไม้เป็นอาหารบ้างกินรำเป็นอาหารบ้างกินข้าวตังเป็นอาหารบ้างกินกัมยานเป็นอาหารบ้างกินหญ้าเป็นอาหารบ้าง กินมูลโคเป็นอาหารบ้างกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างกินผลไม้ที่หล่นเยียวยาอัตภาพเขานุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพ บ, บ้างนุ่งห่มผ้าบังสุกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งหม่มหนังเสือบ้าง นุ่งหม่มหนังเสือที่มีเล็บติดอยู่บ้างนุ่งห่มคากรองบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้ากรรมพลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากรรมพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเขาบ้าง ถอนผมและหนวดมันประกอบการถอนผมและหนวดบ้างยืนอย่างเดียวปฏิเสธการนั่งบ้างนั่งกระโยงประกอบความเพียรด้วยการนั่งกระโยงบ้างนอนบนหนามสำเร็จการนอนบนหนามบ้างอาบน้ำวันละสามครั้งมันประกอบการลงน้าบ้างเขามันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่ บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้175บุคคลผู้ทำคนอื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าแพะฆ่าสุกรเป็นนายพรานนกเป็นนายพรานเนื้อเป็นชาวประมงเป็นโจรเป็นเพชฌฆาต เป็นคนฆ่าโคเป็นผู้คุมหรือผู้ทำกรรมอันหยาบช้าชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามบุคคลผู้ทำคนอื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้ 1. นึร้อยบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นฉนัย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษหรือว่าเป็นพรามหาสารเขาให้สร้างสันธาคารใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครแล้วโกนผมและหนวดนุ่งหม่มหนังสัตว์มีเล็บโลมกายด้วยเนยใสและน้ำมันก้าวหลังด้วยเขามรุคะ เข้าไปสู่สันถาคารใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมผู้เป็นปุโรหิตเขาสำเร็จการนอนบนพื้นอันปราศจากปูราดไว้ด้วยมูลโคสดพระราชาให้พระชนชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่หนึ่งของแม่โคตัวหนึ่งที่มีลูกอ่อนพระมะเหสีให้พระชนชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สอง รามผู้เป็นปุโรหิตให้อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สามพระราชาทรงบูชาไฟด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สีของลูกโคให้อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชานั้นตรัสอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าโคเท่านี้จงฆ่าลูกโคผู้เท่านี้จงฆ่าลูกโคเมียเท่านี้จงฆ่าแพะเท่านี้ จงฆ่าแกะเท่านี้เพื่อบูชายันจงฆ่าม้าเท่านี้เพื่อบูชายันจงตัดไม้และเกี่ยวหญ้าคาเท่านี้เพื่อบังและลาดแม้เราชนที่เป็นท่าเป็นคนรับใช้เป็นคนงานของพระราชานั้นยอมสะดุ้งต่ออาชญาสะดุ้งต่อภัยมีนหน้านองด้วยน้าตาร้องให้ทำการงานอยู่ บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้177บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นฉไหน บุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสเสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันพระตถาคตสเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณ ะ, สะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและมูสสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน้นงามในถ้ำกลางและงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าบดีบุตรแห่งข้าบดีหรืออนุชนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดัตย์ทำนั้นครั้นได้สดับย์ทำนั้นแล้วเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตรหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดปโปรง่ง การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริจุดบริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังที่ขัดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพั์ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิดเถิดต่อมาเขาละทิ้งกองพภกคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัด ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 178. บุคคลนั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพแห่งภิกษุทั้งหลายและเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางธนทาวุฒและสัตตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ และเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือรับเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่และพฤติกรรมมันเป็นค่าศึกต่อพรหมจรรันทร์คือประพฤติพรหมจรรันทร์เว้นห่างไกลเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านและเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คาสัตย์ดารงความสัตย์มีถ้อยคาเป็นหลัก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 ต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรความสามคัคคีและเว้นขาดจากคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษสนะโสดน่ารักจับใจเป็นคำชาวเมืองคนส่วนมากประครพอใจและเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริง พูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลา1น9ภิก้พิกจุนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคามและพูดคามฉันมือเดียวไม่ฉันในเวลากลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิการ เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเว้นขาดการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาตหญิงและทาตชายเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับเรือนสวนไร่นาและที่ดิน เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแหงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจําการตีชิงวิ่งบราว การปล่นและการขู่กันโชค180ิพิกตุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องเธอจะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปหน้าที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระเธอประกอบด้วยศีลขันอันเป็นอริยะนี้แล้วย่อมเสวยสุข อันปราศจากโทษในภายใน181ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสารวมจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัตครอบงำได้จึงรักษาจากักขุนสีถึงความสารวมในจกักขุนสี ฟังเสียงทางหูละดมกลิ่นทางจมูกละริมรสทางลิ้นละถูกต้องโพธพภพทางกายละรู้ธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนณีสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนณีสีถึงความสำรวมในมนณีสีเธอประกอบด้วยการสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายใน 182. ิ18ภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออก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 และอริยสันโดษนี้พักอยู่นเสนาสะนะนเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชัดป่าช้าที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินธบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันเธอละอภิชาในโลก มีใจปราศจากอภิชาชำระ จ, จิตให้หมดจากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพพสัต์อยู่ชำระ จ, จิตให้หมดจดจากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทะปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะ ชำระจิตให้หมดจดจากถีนมิทธะและอุทธะกุกุจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้หมดจดจากอุทธะกุกุจะและวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา 183. ภิกษุนั้นละนิวรห้าประการเหล่านี้ที่ทำให้จิตเจ้าหมองบัญทรกำลังปัญญาสงัดจากกามสงัดจากสภาวธรรมที่เป็นอกุศลบรรลุปัรมชฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่พระวิตกวิจาร์สงบประงับไปบรรลุทุติยฌาน อันมีความปรองใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสเวยสุขทางกายบรรลุตัติยฌานที่พระอริยกล่าวว่า มีจิตเป็นอุเบกขามีสติเป็นสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปบรรลุจตุทธฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีความบริสุทธิ์แห่งสติอันเกิดจากอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุทธพ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบังสองชาติบังสมชาติบังสี่ชาติบังหชาติบัง10บชาติบัง20สบชาติบังางสชาติบัง สี่สิชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบาง 1,000 ชาติบางห0 0 0งแชาติบ 1, าง ต, ตลอดสังสัตกก ต, ตกับเป็นอันมากบางตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบางตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบางในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสเสวยสุข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 เป็นอย่างนี้เขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสวรรสุขมีตนประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน1 8 6บุคคลผู้มีราคะเป็นไนะบุคคลผู้ยังละราคะไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีราคะบุคคลผู้มีโทสะเป็นไนบุคคลผู้ยังละโทสะไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทสะบุค well. ลคลผู้มีโมหะเป็นไนบุคคลผู้ยังละโมหะไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโมหะบุคคลผู้มีมานะเป็นไนบุคคลผู้ยังละมานะไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีมานะ หนึบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้โล ก, กุตระมักหรือโล ก, กุตระผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิง่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้โลกุตระมักหรือโลกุตระผลแต่ไม่ได้สมาบัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิง่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนบุบคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ได้โลกุตระมักรหรือโลกุตระผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี away, ้ไม่ได้สมาบัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ไม่ได้โลกุตระมักหรือโลกุตระผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง188 บุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกรามและทำบาปกรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกรามและไม่ทำบาปกรรมถึงจะมีทุกโทมนัด ร, ร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้มีภาวะตั้งมั่น บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดํารงอยู่บนบกเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้ทาให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดํารงอยู่บนบก 189. บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะเป็นไนะ บุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตะชาตกะอัพูตธรรมเวทัน ล, ละน้อยแต่เขาหารู้อัดรู้ธรรมแห่งตุตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้ บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะเป็ น, นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัปปูตธรรมเวทัน ล, ละน้อยแต่เขารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้ บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะเคยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติพุตกะชาตะกะอภูต ธ, ธรรมเวท ล, ละมากแต่เขาหารู้ธรรมรู้อัดแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้บุ คนผู้มีสุตะมากเข้าถึงสุตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาตะกะอัพพูตธรรมเวท ล, ละมากทั้งเขาก็รู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะมากนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตะมากทั้งเข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้190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 บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งกองทุกได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุนเดรกบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นฉนัน บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพานในโลกนั้นไม่กลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุมบุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเป็นฉนยัยบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณนะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณนะจะตุ ก, กะนิเทศจบ